เราเข้าใจว่าการดูรูปนามซึ่งเป็นเบื้องต้นที่สุดให้ชัดเนี่ยมันจะช่วยให้เราเดินทางต่อไปได้ถูกต้องอฉันบอกว่าเหมือนเราผ่าไม้นี่ เ, นะเราผ่าตรงกลางเพื่อให้มันทะลุเลาผ่าไม้ไผ่ไม้างไม่ลวกไม้ไรงต่างเราจะผ่าหัวทะลุท้ายโดยที่ไม่ให้มันเซียวมันซิกออกข้างข้างเนี่ย ผ่าอย่างไรเนี่ยถ้าเราผ่าไม่เป็นมันจะต้องแ อ, อ่แขางหมดะถ้าเราผ่าเป็นมันก็จะทะลุหวัวทะลุท้ายสำหรับคนที่เคยเป็นอยู่ป่ามา ก, ก่อนในการที่กำหนดรูปนามเหมือนกันะเหมือนเราผ่ากลางถ้าหากว่ากำหนดรู้ไม่เป็นเราก็ไปออกข้างๆไปรู้ แต่ที่จะรู้ให้ทะลุหัวทะลุท้ายแต่าหัวจุดเท้าเท่าจุดหัวเห็นความรู้สึกชัดๆมันก็ออกไปเป็นความคิดซะออกไปเป็นความปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ซะมันไม่ทะลุสักทีเพราะฉนั้นก็ท่า น, นบอกว่าไม่ต้องไปคิดแยกแล้วอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามไปให้เห็นแต่ความรู้สึกชัดๆเห็นรูปชัดๆแนามก็เห็นเองดูกายก็เห็นจิตะดูคิดก็เห็นธรรมนั่นว่า นั้นท่านบอกว่าบางคนเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็พยายามกลบเกลื่อนโดยการไปทำอย่างอื่นหรือคนข้างนอกถ้าเป็นทุกข์ก็ไปกลบทุกข์โดยการไปดูนั่งฟังเพลงเที่ยวเตห์ตหาไปเรื่องอื่นเพื่อจะให้มันหายทุกข์ทามันได้หายกลบเอาไว้เดี๋ยวพอมันประทุขึ้นมาอีกมันก็เอาฟังเอาแกลบไปกลบไฟนะ แต่ถ้าจะให้มันดับสนิทก็เอาน้าไปดับมันก็เหมือนกันความคิดหรือความปรุงแต่งที่มันมีความคิดเรื่องอะไรก็ตามอย่างวันนี้โยมาถามว่าจะนับถูกต้องไหมเวลาเวลามันคิดขึ้นมาเป็นนับเก้าเส้อเป็นนับมือที่ยกเป็นจังหวะให้มันครบเพื่อจะให้มันคิดไม่ให้มันคิดต่อการนับเวลากาหนดสัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะไป ตัดความคิดมันไม่ตัดนะสัญญามก็ไปกลบเอาไว้เหมือนกันเพิ่มเป็นตัวเดียวน่ะวิธีการก็คือมาจับความรู้สึกชัดๆในส่วนร่างกายเนี่ยไอ้ที่มันเผลอคิดปรุงออกไปเพราะความรู้สึกที่เราทํามันมันไม่ชัดเราก็ปรับให้มันชัดใหม่นะตัวรู้เนี่ยมันมางดีมันไม่ได้อยู่ในขันห้ามันอยู่นอกขันห้ามันก็น้ำนะมันอยู่ในไฟถ้าเราไปเอาการนับนิ้วนับก้าวมากลบก็เหมือนเอาขี้เลื่อยขี้แกบ ไปกลบมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าหาเราจับความรู้สึกชัดๆเนี่ยมันก็เอาน้ำไปลดมันก็จะดับนะั่นนั้นเราก็เช่นเดียวกันการวิธีแก้ไขความคิดก็ทำลักษณะนั้นอีกประมาณหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับปลิงสำหรับคนเคยทำไรทำน้ำมาก่อนนะปลิงมาเกาะเราเนี่ยมันกระดูดเลือด ถ้าหากว่าเราไปจับดึงออกคนที่เรากลัวเนระไม่กล้าดึงแล้วดึ ง, ดงแล้วก็มันเกาะมือเราต่ออีกบอกก็จะไปดึงให้มันลําบากเอาน้ํายาหรือน้ําปูนอ่าที่เข้มๆลดลาดลงไปมันก็หลุดบอกคนถามว่าขณะนั้นไม่มียาไม่มีปูนเดียวที่ไหนก็ <c oughs> แก้หาวิธีแก้แล้วนะแบบเดียวกันเวลาความคิดมาเกาะจิตเกาะใจแล้วมันดูดดูดกินพลังดูดกิน ศีลดูกินสมาธิดูดกินปัญญาของเร า, เาไปนะถ้าเราปล่อยมันก่อนอนานๆนะถ้าความคิดเกาะจิตติดนา น, นเราก็หาไอ้สิ่งที่มันตรงกับข้ามกับความคิดเนะี่ยคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวตรงเลยถึงให้ชัดๆเหมือนกับลาดน้ำยาลงไปเดี๋ยวความคิดก็หลุดเพราะจิตมันมวินโดงเดียวขนาดเดียว ขณะที่มันคิดเราไม่รู้สึกตัวขณะที่มันรู้สึกตัวมันก็ไม่ได้คิดเน anyway, okay. mhm. ี่ยก็หลุดออกไปเองนะเหมือนมือมือเดียวเนี่ยเราจะจับอันนี้แล้วมาจับอันนี้มันก็ต้องปล่อยนั้นก่อนถึงมาจับอันนี้ได้เหมือนกันจิตของเราแล้วเรามันเปนไปจับความคิดเราเอามาจับความรู้สึกตัวใช่มันก็หลุดในแต่เนื่องผมเอ๊ะมาจับความรู้สึกตัวมันยังคิดอยู่อันนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นเงาของมันเฉยๆไม่ใช่ตัวตัวมันหลุดไปละเงายังมีอยู่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเองเราก็หาอุบายวิธีแก้เอาทุกอย่างน ะ, นะสำหรับวันนี้เราก็ได้มาทบทวนบทเรียนที่ให้ตอนเชา้าว่าตอนเช้านี้พูดถึงเรื่องอะไรยมเบ น, น, นวันนี้เอาไปทำดูไหม<ำ>เป็นไงบ้างชัดเจนขึ้นไหมความรู้สึกตัวโทรพร้อมความจริงรในช่ว ง, ใ น, วงในช่วงบ่ายต้นต้นนี่นะ มันจะง่วงมันจะหนักแต่ว่าอาหารทานอาหารไม่มากก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ไม่เป็นนในช่วงบ่ายไม่เป็นสงสัยมันเป็นพ่ออะไรอ๋อพ่อเราจับสัมปชัญญะได้ดีกว่าแต่อย่างนั้นถึงอย่างงั้นในช่วงบ่ายก็ไม่มีผลเท่าไหร่เนาะแค่นี้แสดงกําลังของสติมันแรงกว่าก็ทําให้เวทนาจะอาหารไม่ไม่ไม่ครบกำลังเราเนาะตัวนี้มันแรง ก็สนุปว่าวันนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นกับเมื่อวานแต่ผมก็ไม่รู้ไอ้ผลมาจากอะไรอ่ก็มันดีขึ้นก็ใช่ได้ไม่ต้องให้คนมันรู้สึกเบาขึ้นน่อนะก็เราทํามาหลายวันไอ้ตัวอารมณ์ที่มันวิ่งไปวิ่งมามันก็เหนื่อยเมันก็ลำมันก็ขี้เกียจคิดมันก็ตัวอย่างหนึ่งตัวรู้เราทําตลอดใช่ไหมมันก็มีกําลังขึ้นมาแต่วันไหนถ้าสติมันมีกําลังขึ้นมาจากวันนั้นไปมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆหมายความว่า เลอแล้วมาส4มสี่วันมันฟัดวันเวียงกันมาตลอดห า, หาคุณแพ้คุณชนะยังไม่ชัดเจนแต่มาวันนี้เออถ้าหากว่ามันรู้สึกเบาสบายขึ้นโปร่งขึ้นก็แสดงว่าตัวสติสมัยมีกำลังแล้วตัวคิดก็กำลังอ่อนลงไปแต่ว่าเราจะต้องรักษาตามรู้ได้ทีให้ทีขึ้ น, นเพื่อรักษาตัวรู้สึกตัวให้ชัดซึ่งความจริงแล้วนี่ ตัวความรู้สึกตัวมันมีสองระดับระดับที่ว่ารูปนามเนี่ยเรายังในช่วงที่เราทำารู้สึกชัดดีเมื่อใดเราไม่ได้ทำไปทำงานไปทำอะไรเวลาหยุดไปน ะ, ะมันก็อ่อนลงไปเราต้องคอยกระตุ้นมันเรื่อยๆแต่ให้มันเข้มแข็งนี่นะในระดับรูปนามเนี่ยมันไม่คงที่ขึ้นๆลงลง ทีนี้ถ้าหากว่าเราทําความเพียรต่อเนื่องขยันทําความเพียรต่อเนื่องเนี่ยอารมณ์รูปนามในระดับสัญญาในระดับเบื้องต้นที่มันขึ้นขลงลเข้าเข้าออกแล้วแต่ว่าเราก็ให้กําลังมันตอนไหนมันก็ดูมันเข้มแข็งขึ้นตอนไหนไม่ให้กําลังมันก็อ่อนอไปอันเนี้ยพอทําอย่างเงี้ยบ่อยเข้าแก้ไขค่อยไขตรงนี้บ่อยเข้าบ่อยค่อยเพุ่มความเพียรบ่อยเข้าตัว่รูปนามนี้ก็ก็จะมันจะคงที่มากขึ้นอ่า เพราะว่ามันมันลึกได้เร็วขึ้นแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันดูมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนชัดเจนอยู่กับเนื้อกับตัวจนกระทั่งสติสัญญาเหมือนกัมันฝังอย่างรากลงในในตัวของเราแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกได้ตลอดเวลาเหมือนกับผ้าที่มันชุ่มน้ําอะอะไรตกเข้าไปไฟสเกตไฟตกเข้าไปมันก็ดับของมันเองจะถ้าผ้ามันยังไม่ชุ่มน้ํายัง บางที่เปียกบางที่แห้งอยู่เนี่ยเมื่อตกเสียที่แห้งกนยังไหมอยู่ตกในที่เปียกมันก็จะไหมช้าหน่อยเหมือนกันนะถ้าหากว่าบางช่วงที่เรามีสติคมชัดความรู้สึกตัวดีอะไรเข้ามาขนาดนั้นมันก็จะดับไปเองแต่บางช่วงเราเผลอหลงไปกับความคิดอะไรเข้ามาช่วงนั้นมันก็คิดต่อเลยเหอนนะมันตกเลยไมมานะ เนี่ยก็ถ้าหากว่าตัวรู้สึกตัวมันชัดแล้วเนี่ยตัวไหนมันก็มีมาเพราะความคิดความปรุงแต่งต่างๆมันก็เหมือนสเก็ดไฟอ่นะมันมาเหมือนกันแหละแต่ตกใส่มันก็ดับไม่ใช่ไม่มามาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าพอมาจับกระทบกับความรู้สึกตัวที่มันเข้มกว่านั้นมันก็ดับของมันเองการกระทบยังมีเหมือนเดิมแต่มันไม่ขยายตัวมันไม่มันทําอะไรไม่ได้ทีนี้เราจะทำอย่างนี้ให้มันเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรคือ ที่ได้มามันก็ไม่ยากบทมันจะได้นะแต่ว่าการที่จะให้มันคงที่ต่อไปเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องศึกษาเราจะต้องหาวิธีละ ว, ว่าเออสภาวะ น, นี้จะทำไงให้มันอยู่ได้นานๆไม่ใช่ว่าออกไปสักสองสวันก็สลายหมดไม่ใช่เงนั้นเพราะนั้นก็ต้องวางแผนเหมือนกันว่าเออจะทําไงเพราะว่าแบบนี้มันภาวะตื่นรู้แบบนี้ให้มันอ่าถึงแม่ไม่เข้มและชัด ร้อยเปอร์เซนตเหมือนเราอยู่ที่นี่ถึงออกไปมันก็ควรจะตกไม่เกินห้าสิเปอร์เซนอย่างนี้นะอีกห้าสิบเปอร์เซนตยังชัดอยู่นั้นก็จะเราก็จับหลักได้แล้วว่าความรู้สึกตัวที่แท้เป็นอย่างไรที่มันชนิดว่าความคิดว่ากระทบแล้วมันมันดับเองมันเป็นอย่างไรเราก็จะไม่กบเกลือนหรือไม่สลัดมันกลับมาความรู้สึกชัดๆเท่านั้นเองอันนี้จะต้องให้ความสําคัญเหมือนมือกันนะจะให้มันเกิดเองดับเองมันยังไม่ไม่ได้มันจะต้องเพิ่มกําลัง เข้าไปเลยนะไหลก็เลยต้องมาบอกว่าให้ยืนขึ้นตอนพอตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เออมันก็ตื่นขึ้นมาพอยืนปุ๊บานี้มันก็มีสติแล้วมันก็สว่างาแจ้งังะมันควรจะสยขอให้ได้ยิบสักนิดนึ่งได้นั่กกำลังไม่ช่วงจังหวะนั้นๆน่ะใจมันโปรงหรือไม่ปรงอาหารนี่มีส่วนเยอะเลยนะ ความงงถ้าหาว่าเราไม่ได้อารมณ์จริงในอาหารเนี่เป็นเรื่องทุกวันแหละไฟเช้ากเย็นเพราะฉะนั้นก็สังเกตไปมันจึงเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งว่าอารมณ์ร่มนาไม่ชัดเพราะเหตุปัจจัยสี่ประการกรรมจิตอุตุอาหารกรรมคือการกระทําความเพียรเนี่ยมันหนักไปมันเบาไปมันไม่พอดีอมันไม่พอดีไม่สมดุลว่าไงเด้อกรรมจิต การวางจิตต่อเวทนาขันธนั uh, so, ้นน่ะเราวางใจไม่เป uh, uh, ็นกลางกับมันเราไปเทคไซคือไปข้อข้างฝ่ายดีเราไปแอนตี้ฝ่ายฝ่ายทุกกันนะเราไปข้อข้างฝ่ายสบายเราตรงนั้นจิตของเราวางไม่ถูการจิตอุตุดินฟ้าอากาศวันนี้มันบีบขันมากใชมันเย็นมากข้างนอกย็นจะเป็นไอเราก็ต้องออกไปข้างนอกอยู่ข้างในอากาศมันต่างกันมาก ก็มีผลทำให้การปรับนิ้วภูมิของในเราก็รู้สึกอดัดต่อกั น, น, นเสียงทำงานของฮีตนานขึ้นนะาเย็นมากก็ทำให้เสียงก็มีส่วนเพราะนั้นอุตุคือกำลังอุณภูมิภายนอกภายในไม่เท่ากันบางทีบางคนก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวหรือรู้สึกเหนื่อหนักมากนะความกดดั น, นต่าง กรรมจิตอุจจุแล้วก็อาหารที่เรารับประทานมากไปน้อยไปแล้วก็อาหารที่มันไม่ถูกกับาธาตุของเร า, เ, รานนเนี่ยเพราะฉนั้นทั้งสี่ตัวนี้เปเหตุปัจจัยให้อารมณ์รูปนาไม่ไม่ชัดแล้วก็กาวหน้ายากถ้าเราแก้ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูปัจจัยสี่ตัวนี้ด้วยกรรมคือการประลบความเพียรของเราเนี่ยว่ามันทนนึ่งกันใหญ่แต่วันนี้ดีอย่างนึงเราพยายามมดไว้จีกรรมเนาะ ปรีกรรมไม่ค่อยลบ ก, กวนเท่าไรวันนี้ ม, นมีแต่สู้กับโมโนกรรมอย่างเดียวแล้วก็มาปรับกายกรรมสู้มันถ้าเราปรับใส่กันอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นปรับเรื่องกรรมคือความเพียรจิตก็พยายามตั้งอย่างที่ว่าความเป็นกลางทีนี้คุณมุนดูความเป็นกลางระหว่างเฉพาะนั่งเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยเราจะหาได้ทุกเวลาสมมุติเราเดินนะเราหนักเหยียบลงไปหนักใช่ไหมยกมาเบา เพราะนั้นก็มีคุณและขั้วคือหนักกับเบาแต่ระหว่างหนักรละเบาเนี่ยคุณสังเกตไหมมัคืออะไร น, น, นั่นแหละตรงนั้นอนะสังเกตบ่อยๆแล้วมันมีแต่ละเวลาด้วยใช่ไหมเราระหว่างหนักเบาต่อเชื่อมกันนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าสังเกตตรงนั้นบ่อยๆตรงนี้ขเขาเรียกว่าทุกขมสุขเวทนาถ้าสังเกตในส่วนหนักมันเป็นตัวสมาธิถ้าสังเกตในส่วนเบามันเป็น ศีล น, นะถ้าสังเกตระหว่างหนักกระบอเห็นเนี่ยมันจะเป็นปัญญาตรงนั้นเองเพราะนั้นศีลชีวิตปัญญาก็เกิดจากเวทนาทั้งสามตัวเนี่ยอทุกขมสุ่งนั้นถ้าหากว่าสังเกต บ, บอ่อยๆตรงกลางเนี่เราจะว่าหนักก็ไม่ใช่จะว่าวอกก็ไม่เชิงใช่ไหมแต่มันเห็นยากไอ้ตรงนั้นมันเห็นยากเพราะนั้นก็ไม่มีใครสนใจที่จะไปรู้มันด้วยแต่เวลานักปฏิบัติต้องไม่ต้องไม่พลาดจุดนี้ให้ความสําคัญจุดนี้ ตามไม่ทันตามบ่อยๆเดี๋ยวมันทันร้อยครั้งมันทันสักครั้งก็ยังดีน่ะเออเอาหลายครั้งเขาว่าครั้งนี้ไม่ทันเดี๋ยวตั้งท่าใหม่เพราะการสําคัญเรื่องแล้วไม่ได้ตั้งสติที่จะดูมันจะให้มันไปรู้เองเป็นไปไม่ได้เราต้องตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าเออฉันจะจ็รู้รู้เอาเท่าที่มันรู้แหละรู้แค่นั้นแต่จะไม่เห็นช่องว่างเลยคุณมวนสังเกตบ่อยๆนี่ฝึกสังเกตบ่อยๆอย่าสังเกตครั้งสองครั้งเลิกไม่สังเกตสิบครั้งยี่สบครั้งเอาจนกระทั่งมันชัดอ่ะ ถ้ามันชัดอีกเราก็ทำให้มันช้าลงนเนี่ยแสดงว่ากำลังสติของเราไม่ไม่ไวพอถ้าทำไวไม่ทันเพราะอะไรเพราะมันกำลังสติไม่พอที่ไปดูตรงนั้นเราต้องลดความเร็วให้ช้าลงให้มันแมทกับกำลังสติของเราถ้ากำลังสติของเราก็ต้องลดกำลังของการย้ายเนี่ยให้ช้าลงเพื่อสติไม่จะจับทันใช่ไหม เนี่ยที่ว่าเราต้องปรับตามการเคลื่อนปรับตามกําลังสติของเราถ้าจับมันไม่ได้เลยแสดงว่ามันไวเกินกว่ากําลังสติเราจะไปทันแต่เราจะ ท, ทำเนี่ยต้องลดกรรมคือการการะทําของเราให้ช้าลงเพื่อให้กําลังของสติไปจับทันเข้าใจนะคือทําให้ช้าลงหน่อยอยจะให้ไวก็ค่อยยกขึ้นนั้นพวกหนอเขาจริงนี้มากเลยนะยก เห็นยังไงชัดมากแต่บางทีมันชัดเกินไปก็ไม่ดีกําลังสติก็จะโลไปเลยนะมันก็อยู่ในระดับเดียวแต่อันนี้เราเราเอาปกตินี่แหละแต่ให้กําลังสติมันมันพัฒนาได้เร็วขึ้นนะถ้าหากไปช้าเกินไปเนี่ยบางทีไปไปน้ําหนักมันไมเป็นปัญญามันกลายเป็นสมาธิหมดสมาธิมันเลยเกินไงเนาะเนี่ยสมาธิมันเกินเพราะนั้นณจุดเนี่ยเราต้องวิธีการ หาความพอดีความเร็วของรูปนามที่เราเคลื่อนเนี่ยกับความเร็วของสติที่เราฝึกเนี่ยให้กําลังมันมันแมทกันแล้วมันจะทันกันเราจะเห็นมันไม่ชัดอีกเริ่มใหม่อีกไม่ชัดอีกเริ่มใหม่อีวยังงั้นแหะช้าบางเร็วบ้างโจกระทั้งมันทันทันแล้วมันเข้าใจอ๋อเป็นอย่างอื่แล้วมันก็จะหายสงสัยพอหายสงสัยต่อไปเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันรู้แล้วว่าเออไปอย่างเงี้ยอาการไปอย่างงี้ยแหละ ดูเพื่อหายสงสัยในจุดนั้นเพราะนั้นความเป็นกลางของคุณโยมว่านต้องฝึกไปเห็นความเป็นกลางของรูปซะก่อนเราจะไปดูความเป็นกลางของนามถ้าเราไม่เกิดทักษะจากการสังเกตความเป็นกลางของรูปจะไปดูความเป็นกลางของนามเป็นไปไม่ได้ความเร็วมันคนละระดับกันเพราะนั้นความเป็นกลางของกายความเป็นกลางของเวทนาเป็นความเป็นกลางของจิตความเป็นกลางของอารมณ์ต้องแต่ระดับไป เป็นทักษะมันจะส่งต่อกันไปดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยฝึกความดูความเป็นกลางของกายให้มากไว้ก่อนเลยเพราะไม่เห็นชัดดิแล้วก็ไม่มีโอกาสจะทันด้วยน ะ, ะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถควบคุมมันได้แต่ถ้าไปเริ่มเป็นย่งเวทนาเวลายกเนี่ยหนักใช่ไหมเพราเรายกหนักต่อเบาไปไงมันไม่ชัดเอานั่งลงไปใหม่ให้มันหนักใหม่ใช่ไหมแล้วก็ค่อยสังเกตใหม่ ใช่ไหมสมมติว่าเรานั่งไปเนี่ยความหนักมันเริ่มปื๊ดร้อยหนึ่งใช่ไหมพอเริ่มยกมันก็ลดลงปื๊ดจากร้อยเก้าสิบปดสิบหกสิบห้าสิบเป็นศูนย์หน้าศูนย์ตรงหน้าเป็นกลางใช่ไหมเพราะศูนย์เป็นกลางพอพอเปลี่ยนไปร้อยเปอร์ซปับ๊บไอ้ความเบาปรากฏขึ้นปับ๊บมันก็เป็นตัวเลขลบหนึ่งสองสามถือว่าเป็นเป็นเบาเวลานั่งทับลงไปเออถือว่าเอาหนักเป็นตัวบวกไงนะระหว่างศูนย์ที่จะบวกกับลบนี่ยนะแล้วก็ดูตรงนั้นชัดชัด ในตัวนี้ถ้าหากเราดูชัดมันจะไปเชื่อเมเท่ากันเกิดกันดันกันดับการเกิด ก, ดกดับก า, ก, การดับของจิตไปเห็นเกิดเกดิดกันเถึงว่าภาวะที่เกิดกัะดับมันก็ต้องดูไปจากตัวหนักกับตัวเบาของกายของเวทนานี่ให้ชัดเท่านั้นเองมันจะ เ, เพิ่มทักษะนี้ว่าเราไปเห็นการเกิดดับไงมันก็ทักษะที่มันฝึกไปจากลูกกับเวทนานี่มันนานพอไงนานพอที่จะความไวของสติปัญญาของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพอ ความคิดมันกระทบจิตปึ้งปั๊บเนี่ยมันก็เห็นล้กระทบหนักพอกระทบแล้วอวบปรากฏก็ไปเห็นระหว่างหนักกระบอกระทบกันดับลงไปทันทีเนี่ยก็ไปเห็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันก็ยิ่งบ่อยการกระทบของจิตใช่ไหมกระทบทลีไรเนี่ยการกระทบเป็นเกิดกระทบเสร็จแล้วเป็นดับระหว่างการเกิดกระดานดับที่มันกระทบตรงนั้ น, นสติปัญญาไปทันตรงนั้นไหมตรงนั้นเราต้องการตรงนั้นต่างหากเพื่อหเห็นชัด ว่าอ๋อพอสมมุติว่าเห็นการเกิดดับทางไอ้ที่มันเกิดกับจิตปั๊บเนี่ยอัตราไม่ว่าหยาบกลางละเอียดมันสลายเพราะเราเห็นเพราว่าอ๋อไม่มีอะไรจริงก็คือเพราะว่าปรากฏการณ์ของการเกิดการดับตนเองความเป็นตัวตวนของเราเนี่ยใช่ไหมความสัมพัญมันหมายถึงเองมันก็ค่อยสลายไปกับเรือ่องนี้ทั้งนั้นทีนี้สําคัญในการปรับและการเปลี่ยนอย่าไปมองข้ามแล่าไปดูแคลนมันว่าธรรมดาไม่เห็นไปไหนก็จับมันอยู่แค่นี้ นั่นนะศรัทธาและความเพียรแล้วไม่พอที่จะดูจุดนี้บางคนก็คืออยากจะได้ผลไวๆอยากจะรู้เร็วๆอยากให้มันเสร็จไวๆอะ่ะเรื่องของเรื่องมันอะ่ะใช่ไหมก็ได้อํานาจของตัณหาที่มันยากเนี่ยเพราะที่เราทําเพื่ออะไรเพื่อทวนกระแสของตัณหาตัณหามันยิ่งอยากจะสําเร็จเมื่อไหร่ไม่ต้องอยากทําไปอย่างนี้แหละสําเร็จไม่สาเร็จเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรื่องของเราคือรู้ให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่ เป็นหน้าที่ของเราต้องทํานะนี่คุณพันไปไงบ้างวันนี้มันเริ่มพบจุดกลางจุดพอดีแนละ้วเพราะวันที่แล้ ว, ลวมามันวิ่งไปวิ่งมาเข็มตลอดมาแล้วนะแต่อนนี้มันเริ่มอนิ่งๆตรงกลางได้แล้วเพราะมันมันเวียงเคยเห็นไหมเวลาเขาขายของเนาะจับของใส่ตาช่างนะมันก็แก่งไปแก่งมายิ่งสมัยโบราณชายช่างแบบนั้นนะเล่นลุกตุ้มหมดเนาะ เล่นไปเรื่องมาก็จะได้จุดพอดีนะเลื่น อ, อยู่ตรงนั้นแหละจิตของเราเหมือนกันมันก็จะต้องวิ่งระหว่างความเนี่ยหนักเบาพอดีไม่พอดีอยู่ไท้าวันนะ่ะจนกว่ามันจะเริ่มเข็มมันจะเริ่มอ่อนเนี่ยจิตของเราก็เริ่มกายกับใจเริ่มตรงกันมากเท่าไหร่กายกับใจที่แล้วมากายกับใจมันไม่ตรงมันสไลด์ไปสไลด์มาจิตของเราจะแกว่งตามนั้นนะ่ะ พอจิตกับใจเริ่มเลื่อนเข้ามาตรงกันขึ้นหมายเขาว่าไอ้ลูกตุ่มกับจุดพอดีของมันมันเริ่มมาแมตกันตอนนั้นเลื่อนหานะเลื่นหาเหมือนกันเลยในจุดตรงกลางคือพอดีเนะ่ะมัชชีมาปฏิปทาเก็ผ่อนคลายใช่ไหมแต่จุดถอยหลังคุณรู้สึกหาความผ่อนคลายได้ง่ายกว่าอืม ซึ่งส่วนใหญ่นักปฏิบัติไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องนี้นะเดินหน้าอย่างเดียวกลับไปก็เดินหน้ากลับมาแต่ในสัมปชัญญปะปปภาพมันมีคําว่าปฏิกันเตอยู่ด้วยถอ ย, 9, ถอยก้าวถอยกลับไปข้างหลังอภิกันเตเดินไปข้างหน้าพอเดินไปก็กลับตูกก็เดินมาข้างหน้าวันยังเข้ามาอยูร้อยเปอเซ็นแต่พอเราเดินมาข้างหน้ายังไม่ม้วนตัวกลับถอยกลับเลยเป็นปฏิกันเตหลวงพ่อเอามาใช้มากขึ้นทุกวันเนี่ ใช้มากขึ้นเพื่อที่จะให้มันมันครบนี่ของมันอมันก็มีผลว่าก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันไหลลื่นเพลินง่ายแต่พอถอยหลังปั๊บมันก็ไม่ไหลลื่นมันไม่เพลินง่ายแล้ะมันเริ่มสติมันเริ่มอ่าสติมันเริ่มวิ่งเข้ามาใกล้แต่เวลาเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันเราได้ใช้เท่าไหร่เพราะมันชินแล้วใช่ไหมมันก็สามารถที่เฉแลบไปเรื่องอื่นได้แต่ถอยหลังเนี่ยมันเฉลบไม่ได้เฉลบเพื่อาั๊บกัดขาพันกันล้มง่ายๆ เอาน้ําไปดับไฟจะไปเอาดินเอาขี้เลื่อยไปดับไฟไม่ได้ตลบยิ่งกว่าเก่าบางคนก็นับนันั่นนับนี้นับโอ้เป็ร้ยเป็นพันมันยังไม่หยุดเลยก็ไปหยุดยังไงเพราะมันเกิดตัวเดียวกันนี่แหละเริ่มเปลี่นรูปไปเท่านั้นเองนะมันก็เป็นตัวสัญญามันก็ส่วนตัวคิดอีกตัวหนึ่งหรือไปตกวาริกรรมที่ทางเหนือเขาทาใช้รูปประคนะแต่มันก็ยังห่างตัวไปมันก็ได้แต่สมาธิแต่สติมันไม่ได้ แต่พอเรามาขยํา ม, มือมาจับความรู้สึกบางครั้งถ้าหากมันมีอะไรก็จะนวดแขนเล่นแล้วก็บีบนิ้วเล่นสลัดแขนสลัดมือเล่น <c oughs> เพียงแค่ เ, เปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นแหละไอ้โดน้ำกระดับไปและเพราะฉะนั้นสังเกตอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็อารมณ์ลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีว่าตอนที่เรามาปฏิบัติเท่านั้นแม้แต่ชีวิตประจำวันมันก็มีอยู่แล้วนะแต่เราไม่ค่อยสังเกตมันเพราะว่าอะไรเพราะเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยก็ดีทุกลมก็ทําให้เรากลับมาบ่อยๆ อันนี้ก็เป็นส่วนเท่าเราทําเข้าใจถูกนะว่าชแวดล้อมจะมากจะน้อยแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันจะกลับกลับจิตของเรากลับทางได้ถูกกลับมาอยู่ในปัจจุบันที่จุดพอดีเนี่ยเมื่อก่อนเราก็รู้ว่าปัจจุบันเป็นไงแต่หาจุดพอดีของปัจจุบันของตัวเองยังไม่เจอในช่วงไหนที่มันเจอมันก็ถูกความที่มันคิดอะไรมันก็ว่าไปทันทีมันก็มาสู่ปัจจุบัน เพราะนั้นที่เราซักซ้อมความเพียรกันทำเพื่ออนะไรเพื่อหาปัจจุบันของตัวเองคือความพอดีของตัวเองให้ให้มันเจอแล้วพอเจอครั้งหนึ่งนะแล้วต่อไ ป, ไปกระทบะปับ๊บเอาจิตมาไว้ตรงนี้ปับ๊บวางได้เลยนเหมือนแม่ค้าขายของนะ มันชำนาญแล้วเนี่ยบอกเอาหนึ่งกิโลมันจับปั๊บในวางเนี่ยแทบจะหนึ่งกิโลเป๊ะเลยเนะแต่คนที่ไม่ใช่พี่้าอูจับแล้วออกแล้วเข้าเอาเข้าเั้งหลายครั้งกว่ามันจะพอดีใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะเอามาสังเกตพี่ขาที่มือชำนาญว่หยิบยวงปั๊บเนี่ยโอ้โหทวมพอดีขนาดนั้นหยิบออกนี้หน่อยก็พอดีแล้ะเหมือนกันให้เราฝึกกันเนี้มันเกี่ยวกับทักษะต้องทําบ่อยๆสังเกต บ, บ่อยๆ การรูก้การนั่งการย่างการเดินเนี่ยเราก็จะชอบสังเกตอะที่นี้ชอบตามรู้ละถ้าจิตเราเริ่มกลับมาอยู่ปัจจุบันเรารู้ว่าจุดนะ้นปัจจุบันทําให้เราผ่อนคลายได้ไวปรับตัวได้เร็วโดยเฉพาะเหตุการณ์อะไรที่เราทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่จะเครียดเสี่ยงต่อการที่จะเสียอารมณ์บางอย่างพอดึงจิตมาอยู่นี่ปั๊บรู้สึกปลอดภัยละอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยิ้มได้ละตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยทีเดียว แต่พยายามทําบ่อยๆอทําให้เป็นนิสัยอะทําเป็นนิสัยต่อหนึ่งกลับไปบ้านก็หลุดอะก็หลุดนะฮะอะไรเออเนี่ยเจ้าสินทิวานก็พยายามทําบ่อยๆแล้วมันเกิดจับจุดได้นะไม่ยากแล้วเกิดอะไรขึ้นป้อมเลยกลับมาวางตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนมันกลับมามันกลับไม่ถูกที่ กลับมาแล้วมันยังยังจลิ่นมันก็ยังตุ่มๆต่ำๆอยู่ใช่ไหมแต่พอวางป้อถุงที่ปักกินของเร า, าโล่งเบาสบายเลยต่อไปมันก็พร้อมละแล้วตั้งสติเป็นละพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นก็เผชิญได้ตรงนี้สําคัญนะสําคัญไปซักซ้อมให้มันดียมเจียบเป็นไงบ้างวันนี้แต่ความจริงฉันน่าจะต่อยสักเจ็ดวันนะและอู้มเจ็ดวันนีนะ <c oughs> ต่ออีเจ็ดวันเขาท่าก็ช่วยได้เยอะนะที่เราปิดวาจากันนี่นะเช่นนแต่สําหรับเสียงประตูเวลามาเข้าออกมาจะเบามากแค่จะคือระวังอนะ่ะคือฝึกเอาไว้เผื่อว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่กับใครที่จะให้ไม่เข้ารำคาญ น, นะหลวงพ่อเทียนนี่นะท่านตื่นท่านท่านตื่นนี่ไม่มีใครรู้ว่าท่านตื่นตอนไหนเลยนะเงียบมากเลยแม้แต่คนที่นอนข้างๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าท่านตื่นตอนไหน แต่ถ้าไม่มีเสียงฮิตเสียงแงะก็เงียบพรที่นีวัดดูแล้วถึงความเงียบนไม่มีถึงถ้าไม่มีเสียงเลยมันถึ ง, ถ ง, ถง 2, นขึ้นขึ้นสองแสนเก้าะสองแสนเก้านี่เหมาะกับการภาวนาถ้าหากว่าประมาณห้าหม0่นเก้าเนี่ยต่ำเกินไปมันพระที่ท่านอาจารย์สุธิวัฒน์คำพานสอนออกมาวิธีวัดความเงียบของสถานที่ว่าเราไปถานที่ไหนจะภาวนาขึ้นเร็วหรือช้าเนี่ยเขาก็จวัดพลังความเงียบก่อนว่ามันเท่าไหร่ เขาไดใช้แพ่นดูดล่องมานะแกว่งใช้ลูกแผ่นดูดล่อพอพอเราคุ้นกับสมาธิแล้วนี่เราไม่ต้องใช้แพนดูดล่องแค่สัมผัสที่เราได้ยินเสียงเงียบเนี่ยเสียงเงียบมันดังกว่าทุกเสียงเนี่ยถ้าเข้าไปที่ลึกปิดหูก็ยังได้ยินแต่ถ้าว่าเสียงทั่วไปเนี่ยม่สู้เสียงเงียบไม่ได้เสียงเงียบมันดังกว่าถ้าคนไหนรู้จักเสียงเงียบก็จะได้ยินเลยว่าที่ไหนที่เหมาะกับการภาวนา ที่นี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีเสียงแอร์ไม่มีเสียงอะไรที่นี่ก็ความสงัดสูงทีเดียวเพราะมันห่างเสียงรถห่างจากบ้านห่างเสียงสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแล้วครั้งนะทีนั้นก็เหมาะกัการภาวนานะพอดีพูดถึงเรื่องนี้ก็มาเลยพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าได้อารมณ์ปรมามัดแล้วมันจะฟังเสียงเงียบได้ยาวขึ้นได้ดังขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณฟังเสียงเงียบได้ดังขึ้นหมายความอารมณ์ปรมามัดเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นแหละ จิตมันจะเริ่มนิ่งเพราะมันเดือบเข้ามันจะไปฟังเสียงเงียบแล้วเสียงทุกอย่างที่รอบข้างมันจะไม่ได้ยินเลยแต่เสียงเงียบดังกว่ากลบหมดเลยแล้ววันหนึ่งถ้าหากว่าใครถึงภาวะนั้นจะรู้เองนะฮะอั น, นั้นไปฟังเสียงเงียบนะโยมมิน้นเป็นไงวันแรกวันนี้ไหวไหม อคุณจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนสามวันแะอย่างน้อยแต่ถ้าคุณจัดการเรื่องอาหารได้มันจะห่วงน้อยลงมาเรื่อยๆ <c oughs> จริงเวทนาหนักที่เราเป็นเนี่ยถ้าหาว่าเราเข้าใจตรงนี้ถูกแล้วมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่มันจะเป็นอุปกรณ์ด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าใช้ตัวมันนั้นแหละเป็นเป็นแหล่งการศึกษาถ้ามันหนักเราข ย, ยับหาความว่าใครเป็นยังไงแล้วก็ คนที่เซนซิทีฟเนี่ยตัวน้ำหนักเวลานั่งไปปับมันมันจะเกิดขึ้นไวไงเซนซิทีฟตัวมันเพราะฉนั้นเราก็ศึกษามนันได้ไวขึ้นพยายามปรบับพยายามแก้พยายามปรั บ, บแก้ตัวนั้นก็เรื่อว่าตัวมันกัเป็นอุปกรณ์ตัวเวทนาเนี่ยนะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังภาวนายังไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคกับเราเราจะต้องงดกิจลำคาญกับมันนะนะแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเอาใช้ตัวมันนั่นแหละเป็นนิมิตของการตามรู้ ตามด้วยธนาหนักกาเป็นเบาได้ยังไงเบากลายเป็นหนักได้ยังไงช่วงระหว่างเบากับหนักมันคืออะไรแล้วหนักมันมีปฏิกิยาต่อจิตยังไงเบามีปฏิกิยาต่อจิตมันเราค่อยศึกษาเรียนรู้ไปมันก็เป็นตัวหนุนอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องอไวต่อต่อการจับอาการของมันถ้าหากว่าดูอาการมันเป็นหนัก ด้วยใจเป็นกลางหรือเบาด้วยใจเป็นกลางปั๊บเราคืจะไวแต่ในกรณีที่หนักและเบามีปัญหาต่อนักปฏิบัติเพราะเราไปคิดว่าหนักมันเป็นเราแล้วเบามันเป็นเราแต่เราดูหนักมันก็คือหนักเบามันก็คือเบาไม่ใช่เราเราก็เริ่มแยกตัวออกจากมันมาตรงนี้มันก็จะไหวขึ้นเพราะนั้นเองในครั้งพุทธการมีพระเถหลหลายคนที่ป่วยหนักๆแล้วพุทธเจ้าประเทศฟังท่านบรรลุธรรมเฉยๆเลยเพราะใช้เวทนานี่แหละเป็นตัว เป็นตัวเครื่องมือเพราะฉะนัการเจ็บการป่วยการไม่ใช่ตัวปัญหาที่แท้จริงตัวปัญหาที่แท้จริงคือยังภาวนานี้ไม่เป็นนั้นที่เราภาวนาไว้ให้ชํานาญเพื่ออะไรเพื่อเราจะต้องเผชิญกับเวทนาต่างๆในโลกนี้ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยถ้าเรายังไม่ตายง่ายๆนะมันจะต้องเผชิญเวทนาอีกมากมายความเปลี่ยนแปลงแต่เวทนาเหล่านั้นจะทําอะไรเราไม่ได้เมื่อเรามีตัวนี้ตัวตามรู้ที่ถูกต้องแล้วนี่นะมันก็จะเปลี่ยน ยิ่งเวทนาทุกเวทนามีมากเท่าไหร่สมาธิปัญญาแล้วก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัวประมัดตัวนี้เราเยังไม่คงที่ไม่เข้มแข็งเนี่ยเมื่อเราไปเผชิญกับไอ้ทุกเวทนาคือการเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุเกิดการโรคภัยแข้เจ็บต่างๆเนี่ยเรารับเต็มๆเลยนะเราไม่รู้ไอ้ข้างหน้ามอีาอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกตามรู้ให้ใกล้ชิดมากขึ้น วเวทนาเหล่านี้นะก่อนที่มันจะไปถึงเวทนาหนักที่เราไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดได้เสมอก็คนเปลี่ยนนั่งโดยเฉพาะหน้านั่งท่าที่ไม่สบายนะมันจะเกิดเวทนาได้ไวมากท่าสบายมันก็ง่ายต่อการเสพความสบายแต่ท่าที่ไม่สบายใช้มันบ่อยๆแล้วมันจะเอาตัวเวทนาจากกันไม่สบายนะตาปุติถ้าเรานั่งไม่สบายเราจะเกิดความมุ่งกินริ่มคานอึนอดอัดไม่ไม่สนุก เราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ในกรณีที่มาศึกษาภาวนาเราจะต้องดัดแปลงให้มันเป็นอุ ป, อปกรณ์เป็นตัวนิมิตให้เราตามรู้เรื่องของความอะไรความเปลี่ยนแปลงกันนะเป็นที่ตั้งของอริยจังมันเป็นทุกขงังวะเถอะเราก็เปลี่ยนทุกเนะ่ยทุกต้องรู้อาการทุกนมันจะได้ไวขึ้นนั้นในการภาวนายิ่ง ก, การเคลื่อนไหวเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลง และเห็นความทุกันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเอาตัวไตรลักษณ์ตัวนั้นนะมาเป็นนิมิตของภาวนาคืออย่าปรับหาความพอดีหาหนักหาเบาในการเห็นหน้าการกายกับใจมาทํางานกันอย่างไรเนี่ยนั่นนั่นเป็นตัวที่เราศึกษาเบื้องต้นให้ชัดตรงนี้แล้วต่อไปปับ๊บมันจะเกี่ยวข้องด้วยเวทนาด้วยจิตมันก็ง่ายขึ้นแหละแล้วไปเห็นทั้งมันเองแต่หลักๆเนี่ยต้องทําตัวนี้เพราะอะไรเพราะอาการของรูปหรือกายนี่ยมันมีแตลอดเวลา ใช่ไหมความคิดและอารมณ์ก็มีเป็นบางครั้งไม่ใช่มีตลอดเวลาแต่อาการของกายของเวทนามีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้หลักภาวนาแล้วเนี่ยมันก็จะไหวเพราะเรามีวัตถุดิบมหาศาลแต่โรงงานของเรายังไม่ได้ติดตั้งวัตถุดิบวายังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นยะคือตัววิปัสนาเนี่ยด้วยความเพียรของเราก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะถ้าคุณม้นเป็นนักสังเกตไ ด, ได้เร็วได้ง่ายแบบนี้นะ ใช้เวลาไม่มากแต่ว่าพยายามเอาตัววิกฤตนี่ยนะให้เป็นโอกาสที่เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ให้ได้แต่ว่ า, างานในครัวพรุ่งนี้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเลยไหมหรือว่าปล่อยให้ยมเชียนคนเดียวไหวไหมถ้าสมาชิกเราไหวนะเจะได้ตัดยมมินออกมาทําให้เต็มที่นะอีกสองสามวันยมอุ ก, กับยมอุ้มจะมาอะจะมามาได้อยู่แต่ว่าจะเป็นวันที่สิบสี่นะ แต่ยมบุยมันยังไม่ไม่แต่ว่าจะมาอยู่แต่ว่ามันจะม า, าก่อนอุ้มหรือเปล่าเขาเขายัางคุยกันอยู่แล้วอันไหนง่ายกว่ากันระหว่างฟังธรรมะหลับแล้วก็หรือการดมหายใจในอันไหนหลับง่ายกว่ากันมันไปไหนที่เนื้อหาเสียงหาเทพไม่เจอวุ่นวายดนะมหายใจนั่นแหะดีแล้วอดมหายใจแต่ว่าต้องต้องฝึกทิ้งลมหายใจด้วยมาดูตัวรู้เฉยตอนแรกก็ใช้อุปกรณ์ ถ้าใช้ไปชำนาญเข้าชำนาญเข้ามันก็ทิ้งลมหายใจมาดูตัวรู้สึกดูรู้สึกทั้งหมดอ่ะนะจิตมันจะสงบได้ไวกว่าเมื่อก่อนพ่อคุจะนอนได้นะสมัยนี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่พอหลังจากปฏิบัติแล้ฝึกนี้มาเรื่อยๆแค่ไม่ถึงสองนาทีอะไปละมันจะไวมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องตื่นเรื่องต้องฝึกหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา ถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้องนะมันจะเอาตัวเนี้ยมาฝึกพอฝึกเป็นแล้วมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่มีปัญหาละนอนนะมีหน้าที่นอนเท่าเองอย่าหลับก็ปเป็นเรื่องของแกไม่หลัก็ปเป็นเรื่องของแกแต่ว่าฝึกว่ามาดูตื่นวิธีตื่นนยากกว่าหลับอีกนะวิธีดูการหลับนี่ไม่ยากแต่ดูตื่นเนี่ยเคยเจอบ้างไหมว่าก่อนที่จะตื่นเนี่ยอะไรตื่นก่อนระหว่างกายกับใจ ถ้าหาตรงนี้เจอเนี่ยสนแสดงว่าไปไกลลิบเลยดีเลยคุณบุญไปไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีต้องกำหนดก่อนที่จะหลับว่าฉันจะตื่นเวลานั้นและจะตื่นก่อนที่เราจะรู้ขึ้นมามาฝึกจนกระทั่งมาเจออกคงอ๋อความจริงเนี่ยจิตมันตื่นก่อนกาย พอตื่นจิตื่นมาแล้วอาการยังนอนหลับกรนอยู่เลยทีนี้ถ้าหากว่ากายเขาไม่พร้อมนะ่ะเราจะไปตื่นตัวนั้นไม่ได้นะเราก็ดูไปเรื่อยๆแต่เขาพร้อมปั๊บเนี่ยร่างกายเขาจะมันกระชากชาร์จไอ้ลมหายใจของมันเองพอพอร่างกายเขาตื่นปพราจิตก็เข้าทันทีจิตก็มันอยู่ใกล้ๆอน่ยนะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สนุก แต่ว่าคนส่วนใหญ่มองข้ามหมดว่าเรื่องธรรมดาไปยุ่งกับมันทําไมใช่ไหมแต่เราไม่ได้รู้รายละเอียดของชีวิตเลยเขาเป็นมาอย่างไรเขาหลับอย่างเขาตื่นอย่างกลไกระหว่างปฏิสนธิจิตกับตัวสภาวะจิตปัจจุบันที่ยังตื่นอยู่เนี่ยมโนวิญญาณไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณเขาเขาต่อกันอย่างไรเราจะไม่เห็นถ้าเราไม่ฝึกนะน่เรามโนวิญญาณคือจิตตื่นรู้อยู่แล้วปฏิสนธิวิญญาณที่เชื่อมต่อไปสู่ผวังค้าวิญญาณคือ เข้าสู่ครวงอะโดนแล้วเขาเชื่อมกัอนอยังไงตอนนี้เป็ น, นกลไกที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นศึกษาดูไปร้อยครั้งปนหมมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเป๊ะเลยมันจะมันจะเห็นอืมันไม่ได้เห็นทุกครั้งเลยนะความพร้อมมันหายากแต่เราเราเฝ้าดูไปรเรื่อยๆเพื่อดูกลไกของการทํางานมันสนุกแต่ถ้าว่าคนไม่ฝึกฝนเรื่องนี้ไม่ใส่ใจเรื่องนี้เสียดายโอกาสที่จะรู้ความลี้ลับของชีวิตเนี่ยเพราะฉนั้นเขาพยายาม รู้ ก, กันหลับกันตื่นก็ต้องละเอียดไปจากกาันลูกกันนัง่งกันย่างกันเดิน ก, กันกินกันถ่ายกันอะไรต่างไปเรื่อยๆมันจะเป็นกําลังของสติที่คอยหนุนกันไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราต้องการรายละเอียดศึกษาละเอียดของชีวิตนะถ้าไม่ต้องการศึกษาเรื่องนี้เขาก็มีปัญหาแต่ว่าถ้ า, ถาเรารู้รายละเอียดเรื่องนี้แล้วเนี่ยจิตมันหายสงสัยขึ้นเรื่อยๆไงมันหายสงสัยที่เราต้องการศึกษาเรื่องนี้รู้เพื่ออะไรเพื่อหายสงสัยเท่านั้นนะ ถ้าทุกอย่างมันหายสงสัยแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรเพราะมันมันรู้มาหมดแล้วมันคิดมาหมดแล้วเนะ่ะมันก็เลิกเพราะมันหายสงสัยเพราฉะนั้นก็โอกาสที่เรามาภาวนาเพื่อที่เราจะไปฝึกกายให้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าเราภาวนาเพื่ออะไรเราก็จะไม่รู้ว่าไปฝึกไอ้เล็กๆนี้น้อยไรสาระนี้ทาไม ใช่ไหมแต่พอเราเห็นอ๋อไอ้ความเห็นความพอดีของชีวิตพอทำให้เราจิตมันลงตัวจิตลง ต, ลงตัวแล้วมันปร่งเบาสบายแล้วผ่อนคลายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตฝึกให้จิตเนี่ยมาสู่ปัจจุบันด้วยสนใจต่อกิจกรรมเล็กๆใ น, นของชีวิตเนี่ยมากขึ้นเพื่อจิตของเราจะได้อยู่ปัจจุบันได้ลึกขึ้นได้ประณีตขึ้นได้อย่างลึกขึ้นเหมือนต้นไม้เมื่อมันยังรากลึกแล้วเนี่ยพายุ ฝนแดดลมอะไรมาพัดมไม่ลมง่ายง่เมื่อสติสมัยําบอย่างลากลึกแล้วนี่อารมณ์ต่างๆที่มันจะโลกโลกรหลมันจะแรงขนาดเนี้ยมันไม่กระเทือนเลพราะากสติสมยแบบอย่างลึกเพราะอะไรพ่อเราตอกย้าทุกทกครั้งที่เราศึกษาเรื่องกิจกรรมของชีวิตนะเราไม่ใช่ว่าเออไปนั่งสมาธิให้มันลึกทีเดียวไม่ใช่นะของอย่างนี้มันเหมือนกับลากไม้ค่อยๆห ย, ย่างไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนแต่ตอกหลักลึกแบบตอกหลักเหมือนนั่งสมาธิ พอถอนก็ถอนเลยไม่ใช่ลากเป็นหลกักแต่ถ้าลากไม้เนี่ยมันค่อยซึมค่อยแทกค่อยซึมค่อยแทรกลงไปลึกนื้อแน่นกวตอกหลักด้วยสตนะิสัญญาแค่เช่นเดียวกันแต่การฝังของสมาธิโดยที่ไม่ผ่านสติสัญญาเหมือนมันก็ตอกหลกนะักมันลงไปรุ่นๆแบบนั้นแต่ถ้าผ่านสติสัญญาเหมือนลากไม้ค่อยแทกค่อยซึมคอ่มคอยหาเนื้อแล้วมันฟ้องให้เกิดปัญญาด้วยไม้ที่เราหลักที่เราฝังเข้าไปมันดูดซึมน้ําไม่ได้ ทานอาหารไมได้ใช่ไหมแต่รากไม้ที่มันซึมลึกลงไปในดินมันดูดซทานอาหารได้พร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดมรรคและผลได้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการรู้เรื่องนี้เท่านั้นจะจะรู้ได้แต่คนไม่ต้องการรู้เรื่องนี้ก็ทั้งชาติก็ไม่รู้มันเดิมมันแหละแต่เรารู้เรื่องนี้แล้วมันดีตรงที่ว่ามันหายสงสัยเรื่องราวต่างต่า ง, งวันนั้นหลวงพ่อ สุมโมไปที่ดอยสติที่เชียงแสนพูดอยู่คำหนึ่งท่านมานีนท่านไม่เห็นคนเอาเห็นอะไรเห็นแต่กรรมว่างันเห็นแต่การกระทําเออเข้าท่าเลนะคนีเน้เออใช่ๆช่คจริงเป็นคำพูดที่หมวมากคื อ, อทจริงคนไม่มีแต่มันมีแต่การกระทําถ้าพวกเรานั่งเนี่ยเป็นก้อนหินก้อนอิดก้อนดินปเป็นหลักเป็นตอ ความสำคัญมันหมายว่าคนมันจะไม่มีใช่ไหมอันนี้เราสําคัญมหมายมายว่าคนพระอุปทานของเราแต่มันมีกรรมให้เห็นน่ะมีกรรมมีการพูดคุยมีการภาพตาปากมีการเหลียวซ้ายหลายขวาที่คือกรรมนั่นเลยเห็นกรรมดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นประมาจิดูอริยสัจเห็นนิพพานเห็นประมาจิต้องดูสิ่งเป็นเพียงเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกรรมมาหนึ่งการกระทําของทุกสิ่งแล้วมันจะ ไม่รู้สึกดีหรือไม่ดีต่อสิ่งที่เราเห็นมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นมีกรรมมีกรรมอยู่เป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าหากว่าเราไม่ฝึกตัวนี้อุปทานมันก็จะไม่ลดนะเมื่ออุปทานไม่ลดเราก็จะมีใจเสียใจพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่เราเห็นอยู่เห็นคนที่น่าพอใจแล้วก็เออชอบเห็นคนที่ไม่น่าพอใจแล้วก็เครียดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่มากระทบ แต่พอเราฝึกสติไปมากเข้ามาเราเลยเห็นเป็นเพียงกรรมจะเห็นคนดีคนไม่ดีจะเห็นคนน่ารักไม่น่ารั ก, ม, กมันมีค่าเท่ากันคือเป็นกรรมมันหนึ่งบ้กลัวนระกเราตอนนี้น่ามาปฏิบัติตรงนี้น่าจะปลอดภัยจากนรกลเลยยังครับท่ยหมด่มบน่หหที่หมดทีท่ผมเลยมั่นใจว่ามาปฏิบัติแต่ต้องการอยากจะรู้ว่าทุกมันมาจากไหนบาปมันมาจากไหนนรกมันมาจากไหนผมไม่ได้คิด่ผมอยากบออ ถ้าเราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันนะความกลัวนั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเรากลัวนรกต้องรู้ว่านารกมันเกิดจากอะไรถ้ารู้ว่าอนารกเกิดจากอะไรเราจะไม่กลัวนรกอีกตลอดไปเลยเดี๋ยวโยมเป็นเดี๋ยวเวลาจะยาวมาบอกขั้นสั้ น, นอยากจะรู้ไหมว่าเหตุของไอนรกมาจากไหนรู้ให้ตรงประเด็นของเรื่องก่อนมางทีเวลาจะไม่ยาวที่ได้ยินมาในะสวรรค์ใ น, น อ, อกนรกในใ จ, อ, อ, ใจอ่า เมื่ใช่ไอ้ที่ไปมันมันเกิดจากอะไรรู้ว่าอยู่ที่ใจได้มันเกิดจากอะไรเหตุต้นต้นหรืมันเกิดจากอะไ ร, ะไรควมไม่ดีไม่ใช่เป็นคําใหญ่ไปโยมนั่งขณะนี้โยมรู้สึกไงเนี่ยนั่งมานานแล้วเนี่ยสบายหรือไม่สบาย oh. ไม่นั่นมันไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงโยมต้องหนักแน่นอนแต่โยมไปอ่านมันไม่ออกน้ำหนักตั้งเท่าไหร่ตั้งห้าสิบหกสิบองไม่ไม่หนักได้ไงท้าผงไปตรงนั้นน่ะมันหนักตรงเนี้ยที่เราปฏิเสธ ใช่นั่นนะไม่สนใจแต่ความจริงมันหนักอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่สนใจนั่นแหละคือเราจะเอาใจเป็นหลักต้องดูกายเป็นหลักไว้ก่อนในการเรียนเมืองดนนะหนักสบายหรือไม่สบายความรู้สึกหนักเนี่ยสบายหรือไม่สบายก็ไม่สบายแต่ไม่ได้ตอบ้านไม่ได้โกรธใช่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้ถามว่าให้โกรธหรอถามว่าให้ตอบตรงๆว่าความรู้สึกหนักสบายไม่สบายเท่านั้นเองเนี่ยแค่นี้ยกเอง มันคือไม่ตรงกายกับใจไม่ตรงกันนะไม่ตรงก็เหตุงง <c oughs> ใช่คือ <c oughs> ตรงเนี้ยที่มันยากอะ่ะคือปฏิบัติธรรมมันไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะว่าเราไปอ่านภาะวะความเป็นจริงที่ปรากฏขนาด น, นั้นนะไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยที่ว่าสาเหตุนะนั้นให้ดูง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่มันสบายไม่สบายเนี่ยคําว่าไม่สบายแปลว่าอาบายใช่ไหมและอาบายมีเสี่ยง นรกเปรตจุลกายอะไรที่มันทําให้ไม่สบายแต่เราจะดูความไม่สบายทางจิตเนี่ยต้องดูไปจากกายก่อนเพราะว่าต้นเหตุไปจากตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ดูต้นเหนตุตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือต้นเหตุว่าอะไรของสาเหตุของบาปความไม่สบายสาเหตุของอกุศลสาเหตุของความทุกข์มาจากคือความไม่สบาย ความไม่สบายถ้าหากรู้เท่าทันความไม่สบายแล้วก็แก้ไขความไม่สบายเป็นเรื่อยๆจนกระทั่งว่ารู้ว่าอ๋ความสบายความสบายก็คือสวรรค์อาบายก็คือนรกนั่นแหละมันก็อยู่ ใ, ใกล้ตัวเรานี่แหละมีอยู่ตลอดเวลาให้เห็นตลอดเวลาแต่เราจะจะมีสติไปเห็นมันให้ดูที่ต้นเหตุทําทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าเราจะไปพูดถึงเรื่อง อุดมการณ์ต่างๆให้มีความ e, อดทนนะมีความสงบเย็นให้มีความตื่นรู้ให้มีศรัทธาอันนั้นเป็นเรื่องอุดมการณ์มันไม่ใช่เรื่องเหตุนะปัจจุบันอุดมการณเนี่ยใครก็จําได้ใครก็สอนได้แต่เหตุณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะสัมผัสมันได้ไหมสัมผัสมันตรงเนี้ถ้ามีศรัทธาที่จะรู้สิ่งนี้ไหมเรามีตื่นรู้ต่อสิ่งนี้ไหมที่กําลังเกิดถ้าไม่มีศรัทธาไม่ตื่นรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดเนี่ยเราจะไปจำพระไตรปิฎก ท, ทั้งเล่มดีทั้งหมดอ่ะมันก็ยังตกนรกอยู่นะ เพราะไม่ใช่เหตุขงมันทีศรัทธาของโยมเนี่ยปัญญามันไม่มาช่วยอ๋อมันมันมันไม่มันไม่ต่อเนื่องศรัทธาไม่ต่อเนื่องศรัทธาเป็นเป็นพักๆให้มันศรัทธาได้ทุกนาทีทุกวินาทีให้ศรัทธาขนาดนั้นนะไม่วันนี้มาปฏิบัติศรัทธาพรุ่งนี้ไม่มีศรัทธาไม่ใช่นะศรัทธาต้องมีศรัทธาต้องมั่นที่เราสวดอะ ะสศศรัทธาตทาคตเตอจาราสุปฏิทิตาสรทธาในพระตถาคตคือสถานในคําสอนพระพุทธเจ้าศรัทในเรื่องที่จะศึกษาเรื่องเหตุเนี่ยตั้งมั่นไม่ได้ไปสถานในเรื่องอื่นศรัทธาในเรื่องที่ศึกษาคําสอนคือเหตุเนี่ยศึกษาธรร ม, ธรมระธรรมะนี่แปลว่าเหตุนะธรรมัญญาตารู้จักเหตุอัถยุตารู้จักผลธรรมะนี่ยเป็นเหตุเพราะนั้นการรู้จักเหตุคือรู้จักธรรม ถ้าไปรู้อย่างเรื่องอื่นโดยที่ไม่รู้จากเหตุอะไรขณะเกิดปัจจุบันเนี่ยให้ชัดเนี่ยเรียกว่าเราไม่ไม่เข้าใจเหตุผลก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันตัวนี้สําคัญศรัทธานั้นดีแล้วแต่ ว, ว่ามันมีที่ตั้งไหมถ้าไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่มั่นนะที่ตั้งของศรัทธาท่านบอกให้ตั้งณนะปัจจุบันปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นศรัทธาที่ศึกษาศรัทธาที่จะเรียนรู้ศรัทธาที่จะเข้าใจมันณนะปัจจุบันตาเห็น เป็นปัจจุบันรู้สรัทธาที่จะรู้ว่าซื่อๆหูได้ยินรู้ซื่อๆซื่อๆไม่ใช่ไม่รู้อะไรนะรู้แต่ว่าเออมันเป็นอนิจจังเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็ปล่อยวางซื่อๆแบบนั้นนะจิตคิดก็ซื่อๆอ๋อจิตมันคิดอ๋อก็ซื่อๆอ๋อเป็นอย่างนี้เองเพราะมันเป็นไปตามกฎของใจรักแต่รู้ที่ไปที่มาของมันอันนี้เหตุของความสบายและไม่สบายเหตุของนรกสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละเพราะนั้น ถ้าโยมรู้อย่างนี้โยมจะไม่กลัวนรกอีกต่อไปเพราะเหตุตรงนี้เองจัดการที่เหตุมันเลยแล้วนรกขุมน้ำก็จะไม่มีไม่มีสําหรับเรานะแต่อาจจะมีสําหรับคนอื่นก่อนที่มันจะไปสวรรค์ก็ต้องไปนรกก่อนหลยก่อนที่มันจะสบายมันก็ต้องไม่สบายมาก่อนนะยโยมลุกขึ้นอ่ะมันเบาใช่ไหมเนื่องมาจากมันหนักมาเมื่อกี้นั่นแหละแต่เราก็จะไปเอาแต่ที่มันเบาไม่ได้เราต้องรู้เหตุมันด้วยว่าจะให้มัน ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ศึกษาไปเรื่อยๆนะศึกษาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นยังไงแต่ว่าต้นเหตุณนะปัจจุบันเนะี่ยจะทําทไงให้ใจมาปักหลักตรักแน่นตรงตร ง, ตรงนี้นี่สําคัญณนะปัจจุบันขนาดนี้นะให้ตื่นรู้ครับว่าตื่นรู้คือตัวปัจจุบันขนาดทีนี้ปัจจุบันขนาคืออะไรก็เนี่ยนั่งอยืนนิสัยยังไงหายใจเป็นไงขัดไหมเนื้อตัวเป็นไงอุ่นเย็นร้อนอน่อนแข็งแข็งตึงไหมขณะนี้ อกหลังหังเอียวไปไงตึงไหมให้รู้ชัดชัดตรงนี้แหละนี่แหละคือปากขุมของทางา่ทานนรกทั้งสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่ใส่ใจตรงนี้นะโอ้จะกลัวนรกสวรรค์ขนาดไหนก็มันกลัวยังไงก็ไปอยู่ดีแหละเพราะไม่รู้ว่าปากหลุมมันอยู่ไหนเอเราต้องเดินเหยียบพาไปลงจนได้แหละแต่ถ้าเราบอกโอ้ปากหลุมมันอยู่ตรงนี้นะถ้าโยมไปเห็นว่าเอออันนั้เป็นหลุมเป็นบ่อยโยมจะเดินลงไปไหมก็ไม่ลงไงใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นมันอนะ่ะมันก็ลงกว่าอย่างค่ํำหละ อันนี้มันการได้ปักหลุมนรกอยู่ตรงไหนตรงที่เราขาดสติณนะปัจจุบันที่เราไม่เห็นเหตุที่มันเกิดเพราะฉะนั้นจเจริญสติให้มากแล้วไม่ต้องกลัวนะสรุปง่ายๆเลยนะง่ายๆนะก็คิดว่าไม่มีคําถามเลยนะขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจในการที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ให้มันทะลุ ปูปลงให้มันหายสงสัยได้กันทุกคนทุกท่านเทน